พวกรัฐที่มิชชาทิธิิก็ติเตียนว่าตั้งแต่พระสมณะโคโดมปริณิาพานพวกเราก็วุ่นวายอยู่ด้วยการเล่นสาธุกีฬาโดยพละการเสียเวลาโดยเปลา่าประโยชน์อ่างนั้ น, นการงานของพวกเรานี่เสียหายไปหมดแล้วก็ขุนเคืองใจแล้วก็ไปเกิดในนรกเนี่ยนะเกิดในอบายประมาณ8 6 0 0มพันคนเนี่ยนะพวกเหล่านั้นที่ที่ไปอบายไม่ใช่น้อยคือก็เหมือนกับว่าอย่างว่านะบอกออสาธุกีฬานคืออะไรก็ ของเราเนี่ยนะเพื่อฟุตบอลลูกเดียวแม่ก็ยังเล่นกันใช่ไหมไอ้แข่งลูกอะไรเทนนิสลูกเดียวนักก็ตีกับไปกับมากับไปกลับม า, ก, บ ก, บมา ก, บ ก, ก็นั่งดูกันแหย่แกันเนี่ยมันก่อนเขาบอกว่าถ่ายทอดไปสามร้อประเทศทั่วโลกเนี่ยนะโอล้คนนี่มันจ้องดูอยู่แค่นั้นนะแล้วต้แข่งฟุตบอลอย่างเงี้ยนะเตะกันอดหลับขับตานอนดูกันอยู่นั่นแหละไอ้กีฬาแบบนั้นไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้ว่ามันลูกฟุตบอลมันราคาสักมีค่ามากอบรมสร้างบารามีมานาะมันก็ไม่ใช่นะ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 ที่จะทำให้ใจเป็นบุญเขาก็แสวงหาเหตุปัจจัยเหล่านั้นให้ใจเป็นบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปจเจริญ ง, งอกงามด้วยบุญจนสามารถทำที่สุดแห่งถูกได้ซึ่งปัจจุบันนี้ให้ความสําคัญกับรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ตัวเองปรารถนาเป็นต้นท่านนั้นเองก็ใส่ใจอยู่ในเบญจากามคุณซึ่งมันก็คนละยุคคนละสมัยกันนะะแต่ก็อย่างว่าชาติชรา ม, มรณะก็ไม่ล้าสมัยนะ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 จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกไม่มีอะไรเป็นใหญ่เฉพาะตนเนี่ยนะโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มตกอยู่ภายใ ต, ต้ธาตุที่เราตกเป็นทาตแห่งตันหาแล้วแต่ตันหาจะฉุดลากดึงออกไปเนี่ยนะท่า น, นคนสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ไม่ต่างกันแต่วิจารณญาณแตกต่างกันสมัยนั้นเขาถือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสมมาังกประถือว่าการเจริญ ส, สัทธาศีลหิริโอตปะสุตะจารค้าปัญญาเป็นสิ่งที่ดีมีค่าแล่ ปเสนก็ขวนขวายและทุ่มเทในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะซึ่งสมัยใหม่ก็ตรงกันข้ามเนี่ยตรงกันข้ามมองเห็นว่าศีลเป็นเรื่องที่ล้าสมัยมาก น, นะแม้พูดถึงคำว่าศีลเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นคำที่เสียดแทงมากเลยนะบางคนที่เวลาศึกษาธรร ม, มานี่พยายามปกปิดตัวเองกลัวคนอื่นจะรู้เนี่ยนะ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 ประเทศที่ยังมีคําสอนฟังว่ากุศลกรร ม, มบทเป็นกุศลเนี่ยดีแต่ประเทศที่ไม่มีคําสอนแล้วคําว่ากุศลกรร ม, มบทเขาไม่ได้ยินเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยจะกล่าวไปใยัยถึงว่าจเจริญกุศ ล, ลกรร ม, มบทไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เขาไม่เข้าใจหรอก เน่ยนะพกุศลกรรมมาบทพัตนต่อไปเนี่ยอะธรรมจะรุ่งเรืองอะกุศลกรรมบทก็แพร่หลายปัจจุบันนี้เห็นล้วปานาติบาตก็แพร่หลายอาธินนาทานก็แพร่หลายการมีสุมิชชั่นจาร์เป็นต้นก็แพร่หลายกุศลสีเนี่ยไม่แพร่หลายเลย<ม>ก็ค่อยเรียกว่าหดตัวหดตั ว, หด ต, ว, ห, ดตวหดตัวลงไปในที่สุดก็ก็หมดไปจากโลกอันนี้ปกติเป็นาศาสนาเดียวที่ทํานายว่าอีกไม่นานก็หมดจากโลก น, นะเปิดเผยตัวเองตลอดเลยว่าพุทธาศาสนาเป็นของที่มีอยู่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 ถ้าตอบอย่างนี้ได้ก็อย่างน้อยที่สุดอยู่กับคนที่คิดอย่างนี้ก่อนและหนึ่งคนก่อนแต่ถ้าคิดแหมจะต้องเอ า, าศาสนาไปวางไว้กับคนนั้นวางไว้กับคนนี้ถ้าจะยากนะนะขนาดใจของตัวยังไม่ค่อยคิดจะวางศีขาสามเอาไว้ในใจไม่คิดจะวางพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่คิดจะวางโพธิปัจจะธรรมไม่คิดจะวางคุณธรรมลงในใจเราอยากคิดว่าเราจะเอาไปวางไว้ที่คนอื่นได้มากนะักเพรามาคิดได้อย่างนี้ก็เลยสบายใจเนี่ยนะนะนะนะเอา ก็คนอื่นเขาไม่เอาคําสอนไปวางเราอย่างน้อยที่สุดเราก็เอาคําสอนมาวางในใจเราก่อนพมันเราเนี่ยกล่าวธรรมชั่วโมงก็ได้บุญชั่วโมงนึงอันนี้นั่งยิ้มแล้วเนเจริญกุศลมัตั้งแต่เก้าโมงเดี๋ยวก็ถึง11บเอโมงแล้วก็ได้บุญทั้งสองชั่วโมงเนยนะพักสักเล็กน้อยก็มาเจริญกุศลต่อเนี่ยแล้วก็ไปเจริญกุศลต่อไปเรื่อยๆตอนนี้หาชั่วโมงกุศลเนี่ยนะทำยังไงให้ชั่วโมงกุศลมันเยอะที่สุดให้มันมากที่สุดตัดอกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะ หมดบุนเนี่ยเนี่ยเขาบว่าชาตินี้ไม่น่าเป็นห่วงเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาเป็นชาวพูดอย่างเงี้ยไม่น่านักใจเราแล้วลชาติหน้าแล้วชาติหน้าอะไรรับรองวอุ้ยอีกนานนานว่าคนที่พูดอย่างเงี้ไปหมดแล้วเนี่ยนะไปส่งเผางานมาตั้งหลายงานมาแล้วอย่างเงี้ยนี่แล้วเราเองแล้วมันเอาอะไรรับรองล่ะเนี่ยนะบอกอายุยังน้อยเอาอะไรมาวัด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 มันก็มันพร้อมที่จะสรุปว่าเนี่ยโดยที่สุดหายใจม้อยอย่างตาได้ไม่ต้องไปสร้างอาวุธปรามานุอะไรที่ไหนหรอกหายใจรถกันก็นกนกนตายแล้วคนเนี่ยนะทนี้เออแล้วตายแล้วทั้งต้องเกิดอีกจะไปยังไงต่อไปละครนี้ลําบากใจเหมือนกันนะถ้าไม่เจริญกุศลเอาไว้เยอะๆแต่ว่ากุศลใดที่น่าเจริญเนี่ยนะอย่างเนี้ยเรามีคําสอนมีพระพุทธศาสนาตอนนี้เนี่ยนะถึง พูดถึงว่าเนี่ยตอนเนี่ยเหลือพระธาตุเนี่ยของเราเนี่ก็เหมือนกับสมัยพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูมีพระาธาตุชันใดเราก็มีพระาธาตุชันนั้นแต่ต่างกันว่ายุคพระเจ้าชาติศัตรูพระไตรปิฎกกว้างขวางมากสมัยเราพระไตรปิฎกแคบแคบเ น, นี่ยนะเล็จริงๆเลยนะวันก่อนมานั่งนึกเอ อ, เอปกติคนก็ไม่อ่านพระไตรปิฎกอยู่แล้วนี่ก็เลยไม่ค่อยรู้สึกหนักใจเท่าไหร่นะนะ เพราะอะไรเพราะปกติเมื่อก่อนเขาก็ไม่อ่านถ้าเขาไม่อ่านอีกก็จะปกติดีก็แสดงว่าปกติเอ้ยของเราผิดปกติสักคนหนึ่งเธอเนี่ยนะทำยังไงใช่มันอ่านเนี่ยไม่อยากเป็นคนปกติแบบปกติอย่างเงี้ยนะปกติชรามรณะก็ถือว่าเพียงพอแล้วเนี่นยปฏิบัติยังไงให้ปกติปฏิบัติเพื่อพ้นจากชราและมรณะเนี่ย น, นะอย่าลืมว่ามันมีสองอย่างถ้าไม่มีโสมนัตก็โทมนัตถ้ายังเจริญกุศลที่เป็นเหตุให้สุขโสมนัตไม่ได้ที่เหลือข้างหน้าก็มีแต่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 ไปกันเยอะเหมือนกันนะวันที่กลับมาจากอินเดียเราไปกันเยอะนิยมคนหนึ่งเขามาถามเอ๊ะพวกนี้เขาว่างกันหรือไงท่านเขาไม่ทําอะไรกันหรือไงเขามาไหว้พระธาตุนี่เหมือนกันนะเขาเข า, เขาโกรธมากเลยนะเอ๊ะเอ๊ะก็แปลกนะเขาก็ไม่ได้คนนี้ไม่ได้ออกทุนให้คนที่มาไหว้ไม่แต่คนเดียวนะแต่ทําไมเขาไปเดือดร้อนอะไรกับคนเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็ยังแปลกใจแล้วเขาเองก็มาเด็ดเป็นนา ย, ยกรัฐมนตรีต้องดูความเรียบร้อยประชาชนก็ไม่ใช่อีกนั่นแหล ะ, และสรุปอะไรก็ไม่ใช่ซากอย่างนะั้นนะ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 ประหารอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็มีคนที่เขาคัดค้านในใจอะนะแต่พวกนั้นก็คือจริงๆเขาใช้ให้ไปทําดีแหละแต่ว่าไอ้จิตที่มันต่อต้านคัดค้านอะจิตอันนั้นก็พาไปนะไปเสียหายแต่จริงๆพระราชาก็อยากให้ประชาชนทั้งหลายได้บุญได้กุศลการเจริญอย่างเต็มที่แต่ประชาชนคนที่ไม่ฉลาดก็เลยฟาดบาปกันไปเต็มที่เหมือนกันเนี่ยนะทีนี้ท่านบอกว่าถ้าจะไปบอกว่าแมให้เลิกบูชาพระธาตุเถอะ ท้าวปราชญ์หันไปบอกให้ท้าวส ก, ก่าบอกทำยังไงก็ได้ให้เอาพระธาตุไปสร้างเป็นเจดีย์ให้เร็วกว่านี้ไปบอกท้าวส ก, กะาท้าวส ก, ก่าก็บอกว่าปุถุชนคนที่มีศรัทธาเหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยไม่มีหรอกใครไปบอกให้ท่านเลิกบูชาพระธาตุท่านไม่เชื่อสักคนเดียวข้าพระเจ้าเป็นพระอินทร์เนี่ยแมกสีเขียวมาเลยเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ไม่ฟังหรอกว่า ง, งั้นก็เอางี้แล้กันเดี๋ยวจะสร้างสิ่งที่น่าสะเพงกลัวเหมือนมานที่น่ากลัวแล้วก็ ทำให้เสียงดังสนัน่นทำให้คนเนี่ยเป็นไข้สั่นระ ร, ร, ร, รวมเหมือนคนผีเข้าพระคุณเจ้าก็จะทูลว่ามหาภิตพวกอนมนุษย์เขากโกรธเพราะฉะนั้นให้นำพระธาตุไปโดยเร็วอุบายอย่างนี้พระองค์ก็จะนำพระธาตุไปโดยเร็วนี่นนะเสร็จแล้วก็ พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเหล่านั้นเนี่ยนะก็ไปบอกพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูก็บอกว่าจิตของโยมนี่ยังไม่ยินดีก่อนแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เอาเถอให้เอาพระธาตุไปแล้วกันเพราะฉะนั้นจะต้องบูชาอีกเจ็ดวันเนี่ยนะในวันที่เจ็ดคนทั้งหลายก็นำบูพระธาตุนี่มาถึงพระราชวังเนี่ยนะมาถึงพระเจ้าอาชาตศัตรูก็สร้างเจดีย์ที่กรุงราชคลึกแล้วก็ทํามหากรรมเนี่ยนะกรรมที่ยิ่งใหญ่มากสร้างสถูปเจดีย์แล้วก็มีการบูชาพระธาตุเนี่ยนะ การบูชาพระธาตุทั้งหลายก็ได้มีมีขึ้นในชมพูทวีปโดยเฉพาะที่เมืองราชเครืกนั้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากรุ่งเรืองมากแล้วก็ร่ำรวยมากเนี่ยนะในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นก็การสร้างเจดีย์การฉลองพระธาตุการบูชาพระธาตุก็เป็นไปมายื่นอเนิ่นยาวนานทั้งใครที่ไปเมืองราชครืกตอนนี้เนี่ยนะยุคนี้ก็ไประ ล, ลึกถึงบุญกุศลของที่พระเจ้ า, าชาติศัตรูทั้งหลายเป็นต้นได้กระทําส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับฝังพระธาตุก็คงเป็น ตอนบ่ายเนี่ยนะเฉลพอช่วงเช้าก็พักเท่านี้ก่อน